เพื่อเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแรงบรรดาใจมองเขาแล้วก็เอามาใช้กับตัวเราอย่าไปเปเรียบเทียบว่าเขาดีกับเราเราแยก่กับเขาอะไรองี้มันทาให้เราเนิ่์นช้าเราดูตัวเร า, าปัจจุบันเนี้ยถ้าเรามีศรัทธาศรัทธาคือมีความพอใจที่จะปฏิบัติทำนอ้ดีแล้วนะเนี่ย ริ่มต้จากศรัทธนแลวเราก็มีการสลับสับฟังธรรมะเป็นประจำ <c oughs> อันนี้ก็ดีขึ้นไปอีกศรัทธาแล้วเราก็ฟังถ้าจใจดีขึ้นกว่านี้ก็คือต้องมีการลงมือปฏิบัติเลยลงมือจเจริญสติเลย <c oughs> การปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเอาเอาวุธที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยคือความเพียร <c oughs> ในตัวเราเนเราเพียรสร้างสติตเจริญสติให้มากๆทํทำให้มากๆทํทำให้บ่อยๆทำเป็นนิสัยเลยอย่างในภาษาบาลีเขาเรียกว่าอะไรภาวิตาภะหุริกตายานิกตาคือทำให้มากทำให้บ่อยทำจนชำานาญให้เป็น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 ทำเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร่งถ้าเราไปหวังผลไปสงสัยไปรีบร้อนเนี่ยนี่เราทำให้เนิ่นช้าปฏิปักษ์ยังไงก็ไม่เก่งเพราะเราโมจะสงสัยอยู่นั่นแล้วไม่ตกลงใจได้สักทีแล้วก็หวังผลว่าจะได้อะไร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 ทุกครั้งที่เรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการป้องกันอาคุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ก็ เ, เกิดขึ้นแม้ว่าอาคุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วที่เป็นฝ่ยบาปถ้าเราเป็สติรู้เท่าทันเนี่ย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 ล้วก็รู้สึกตัวทันทีเลยว่าเรารู้สึกว่าเราตื่นไปปัสสาวะแล้วกลับมานอนเหมือนเดิมคุณศรธารมก็เกิดขึ้นในยามค่าคืนได้เหมือนกันเห็นเนี่ยมันเก็บเกี่ยวคุณศรธรทได้ตลอดเวลาเลยแต่ละวันที่ทำได้อย่าปฏิเสธอย่าไปเป็นทุกข์อย่าไปใส่ใจว่าเราปฏิบัติไม่ดีเหมือนเขาเราทำไม่เก่ง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 ท่านธรรมวัโทนวัโสมนัตวรลมิหารท่านได้แต่งไว้เป็นกรอนเกี่ยวเรื่องความรู้สกตัวไว้อย่างไพเราะเพราะพิ้งไว้ว่าความรู้ตัวเป็นธรรมสุดล้ำเลิศก่อให้เกิดกุศลผลสดใสอกุศลทั้งหลายหดหายไปทมอื่นใดหรือจะสู้ ความรู้ตัว